ถ้าเรารู้ไม่ทันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยโลกก็ตามชีวิตก็ตามเราจะใช้ชีวิตแบบไม่ถูกต้องจะไปขวางโลกขวางโลกก็เจ็บนะแล้วถ้าเราไม่รู้ไม่เท่าทันแล้วก็ตามโลกตามโลกนี่อันตรายเพราะโลกเนี่ยเป็นไปเพื่อความทุกข์เป็นไปเพื่อความแตกทําลายถ้าตามไปเนเราก็ต้องตายตามโลกเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับโลกในชีวิตด้วยความเข้าใจแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องโดยที่ไม่ขวางโลกและไม่ตามโลกให้รู้จัก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 มายังไงก็ไปอย่างนั้นมืดมาแล้วก็มืดไปคงไม่มีใครบรรลุมาแล้วก็บรรลุไปใช่ไหมถ้ามืดมาแล้วเป็นปุถุชนคือมืดมามีความไม่รู้แต่พยายามที่ศึกษาธรรมะเรียนรู้เรื่องชีวิตเข้าใจชีวิตเริ่มพัฒนาจิตใจเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วนี่เวลาคนเราเนี่ยมันต้องตายจากโลกนี้ไปมืดมาแล้วถ้ามีความรู้ออกไปแล้วเนึกว่าสว่างไปสว่างคือมีความรู้ความเข้าใจชีวิตค่ะคือไปแบบคนที่ไม่มีทุกข์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 แล้วจำเป็นไหมคะที่เราจะต้องคอยดูว่าคนนั้นเป็นโสดาบัน <ฮะ S 1> แล้วคนนี้เป็นสกิทาคามีแล้วคนนั้นเป็นอนาคามีแล้วคนนั้นเป็นพระอาหันแล้วเนี่ยจำเป็นไหมคะที่เราต้องไปใฝ่ใจรู้ให้ได้ในสิ่งเหล่านี้เราไปสนใจแบบนั้นนหะเราก็พยายามที่จะให้ชื่อให้สมมุติใจเราก็จะบางทีก็จะฟุ้งมากที่เป็นตัวตนมากเราไม่จะเป็นต้องไปรู้อย่างนั้นก็ได้เนี่ยฟังเอาไว้รู้เอาไว้แล้วเราก็มาพัฒนาตัวเราดีกว่า